ข้อความในคุตักาศนิกายอุทานนะกุมารกะสูตรหน้าห1 8ข้อหนึ่งาคำว่ากุมารกะหรือกุมารเนี่ยนะหมายถึงอายุยังไม่ถึงส5ปีนะก่อนหน้านี้ยังไม่ถึงสิบห้าปีเรียกว่ากุมารสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวัน อารามของท่านอนาถาบินทิกะเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีก็สมัยนั้นแลเด็กรุ่นหนุ่ม น, นะมากด้วยกันจับปลาอยู่ในระหว่างพระนครสาวัตถีกับพระวิหารเชตวันแสดงว่าแถวๆนาที่เราเดินเดินผ่านผ่านกันแถวนั้นนะมันจะมีนาถ้าหน้าฝนมันจะมีน้ําไหลผ่านครั้งนั้นแลเป็นเวลาเช้า พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอันตรวาศกแล้วทรงถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปย่งเสเด็จเข้าไปบินทบาทอย่างพระนครสาวัตถีได้ทอดพระเนตรเห็นเด็กรุ่นหนุ่มมากด้วยกันจับปลาอยู่ในระหว่างพระนครสาวัตถีกับพระวิหารเชตวันครั้นแล้วสเสด็จเข้าไปหาเด็กรุ่นหนุ่มเหล่านั้นแล้วได้ตรัสถามว่าพ่อหนูทั้งหลาย เธอทั้งหลายกลัวต่อความทุกข์ความทุกข์ไม่เป็นที่รักของเธอทั้งหลายไม่ใช่หรือทุกคนก็กลัวความทุกข์ใช่ไหมไม่มีผู้ใดต้องการความทุกข์เด็กเหล่านั้นก็กราบทูลว่าอย่างนั้นพระเจ้าข่าเอวังพันเตบอกใช่ข้าพระองค์ทั้งหลายกลัวต่อความทุกข์ความทุกข์ไม่เป็นที่รักของข้าพระองค์ทั้งหลายก็ก็จริงะนะ แต่ขณะเดียวกันพฤติกรรมเนี่ยมันสร้างเหตุแห่งความทุกข์ผลเนี่ยไม่ต้องการความทุกข์แต่เหตุนี้กําลังทําเหตุแห่งความทุกข์อยู่ลําดับนั้นแหลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเนื้อความนี้แล้วจึงแต่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าถ้าท่านทั้งหลายกลัวต่อความทุกข์ถ้าความทุกข์ไม่เป็นที่รักของท่านทั้งหลายใจท่านทั้งหลายอย่าได้ทําบาปรกรรม ทั้งในที่แจ้งหรือในที่รับเลยถ้าท่านทั้งหลายจักทำหรือทำอยู่ซึ่งบาปกรรมไชท่านทั้งหลายแม้จะเหาะหนีไปก็ย่อมไม่พ้นไปจากทุกเลยตรงนี้ก็แสดงว่าอย่างชัดเจนก็แปลว่าถ้าท่านกลัวต่อทุกท่านอย่าทำชั่วถ้าท่านทำชั่วนะต่อให้ท่านเหาะหนีเลยเหาะก็ระเบิดใช่ไหมตายไปร้อยส กี่วันแล้วเมื่อวานเนี้เมื่อวานหรือ ว, วานก่อนเครื่องบินระเบิดตายไปร้อยี่สิบคนเนี่ยนะในขนาดวูสาหนหนีไปบนอากาศแล้วนะเครื่องบินระเบิดตายไปทั้งเป็นร้อยพันที่ไหนบ้างอยู่ตรงไหนให้เหาะไปบนเครื่องบินเลยเอาอย่าว่าแบบอยู่ล่างๆเลยนะไปอยู่ในซอกเขาพ้นไหมไม่พน้นเพราะฉะนั้นอย่าได้ทําบา ป, ปรกรรมให้แก่ตัวเองเลยใครที่สร้างตราบาปให้แก่ตัวเองเนี่ยนะก็เท่ากับว่า ให้หนีไปเถอะหนีไปอยู่ตรงไหนก็จะไม่ผลไปจากความทุกข์เพราะว่าแรงแห่งบา ป, ปรกรรมที่ทำนี่มันหนักเหลือเกินอะไรจะยิ่งใหญ่เท่ากับความชั่วความชั่วนั้นเวลามันให้ผลนี่มันตามให้ผลได้ทุกหนทุกแห่งทุกการและสถานที่มีที่ใดบ้างที่พยามัจจุราชพรากเอาไปไม่ได้อย่างนั้น ในอัตกถาคำว่าอ ป, ปิยังโวทุกขงังนะทุกขที่เกิดจากร่างกายของพวกเธอไม่น่ารักไม่น่าปราถนาไม่ใช่หรือก็พูดถึงความทุกข์นะความทุกข์ความลำบากเนี่ยนะทุกคนไม่ต้องการไม่ใช่หรือเด็กก็ตอกใช่ความทุกข์ทางร่างกายและทางจิตใจใครบ้างต้องการไม่ต้องการทั้งนั้นแหละพระองค์ก็ บอกว่าเอตามาทังวิธิตวาความว่าพระองค์ทรงทราบโดยอาการทั้งปวงซึ่งอัฐานี้ว่าสัตว์เหล่านี้ไม่ปรารถนาทุกข์เพื่อตนเลยแต่ปฏิบัติเหตุแห่งทุกอยู่โดยใจความเป็นอันชื่อว่าปรารถนาทุกข์อยู่นั่นเองความต้องการทางจิตใจนี่ไม่ได้ต้องการความทุกขแต่พฤติกรรมความประพฤติทุกอย่างมันบอกว่าท่านปรารถนาความทุกขอยู่นะ ท่านร้องเรียกหาแต่ความทุกข์เพราะต้นเหตุบอกนะต้นเหตุเนี่ยมันบอกต้นเหตุเนี่ยมันฟ้องฟ้องว่ายังไงในสิ่งที่ท่านทำก็คือความทุกข์เหมือนกับอย่างว่าใครที่เดินตัวเปล่าบ่ายหน้าไปทางทะเลทรายเนี่ยนะเข้าไปหาความสุขสบายหรือบอกเข้าไปหาความสุขนะแต่เขาไปหาความสุขในที่แห้งแล้งในสถานที่ที่กันดารถ้าเขายิ่งไปไกลเท่าไหร่ เขาก็ยิ่งประสบทุกข์เท่านั้นนี่ก็เหมือนกันผู้ที่กำลังทำความชั่วอยู่หรือจะทำความชั่วเขาบอกเขาเําทำเพื่อความสุขจริงอยู่นั่นคือเขาคิดแต่ที่แท้แล้วเขากาลังสร้างเหตุแห่งความทุกข์อยู่พระองค์ก็เลยอุทานเป็นการอุทานอันเกียกตนการการะทาความชั่วและประกาศโทษของการทำความชั่วอธิบายว่า ถ้าว่าทุกอันเป็นไปถ้าว่าทุกอันจะให้เป็นไปในอบายทั้งสิ้ น, น, นทุกที่จะทําให้เกิดในนรกเปรตอสุรกายและหมูเดรชานทั้งหลา ย, อ, ยาอันนี้หมายถึงว่าตัวตรงๆของการฆ่าสัตว์ใช่ไหมเจตนาของการฆ่าให้ผลตรงๆก็คืออบา ย, ยา น, น, นรกเปรตอสุรกายและเดรชานอันนี้ตรงๆทัศน์ของมันละ อันตางด้วยความเป็นผู้มีอายุน้อยอ น, นะถ้าหากว่าเศษกรรมเหล่านั้นตามมาให้ผลตอนเป็นมนุษย์จะอายุสั้นอายุสั้นแค่ไหน ท, ที่กล่าวว่าปฐมังกาลังโหติหลังจากเป็นกาละก็ตายหมายคำว่าปฏิสนธิได้ชั่วโมงสองชั่วโมง3าชั่วโมงเจวันตายได้หมดนะนะเขบอกว่าตั้มหลังจากปฏิสนธิมาแล้ว17ขณะ จ, จิตหลังจากนั้นรอความตายอย่างเดียว ที่เหลือจากนั้นเรียกว่าชราก็รอมรณะตลอดเวลาพร้อมที่จะจุติพันเศษของกรรมเหล่านั้นทำให้จุติตายตั้งแต่อายุอย่างน้อยและความเป็นผู้มีส่วนชั่วแห่งมนุษย์เป็นต้นในสุคติหรือถึงว่าไม่ตายเร็วนะักก็โกครคภัยไข้เจ็บเล่นงานเบียดเบียนชีวิตเนี่ยเหมือนกับก็เหมือนกับเกือบตายอยู่แล้วนะเกือบจะตายเกือบจะตายอยู่ตลอดเวลา ความทุกเหล่านี้เนี่ยนะทุกที่ทำให้เกิดในอาบายทุกที่ทำให้มีอายุน้อยทุกที่เดือดร้อนในหมู่มนุษย์ทั้งหลายเป็นธรรมชาติไม่น่ารักไม่น่าปรารถนาสำหรับพวกท่านทุกคนไม่ต้องการแบบนี้โดยโดยใจแท้จริงเนี่ยเป็นอย่างนั้นไม่ต้องการเลยไม่ต้องการเกิดในนรกไม่ต้องการเกิดมาแล้วมีเป็นมนุษย์มีอายุสั้นไม่ต้องการเกิดมารูปร่างชั่วโรคมากในหมู่มนุษย์ทั้งหลาย แต่ถ้าหากว่าพวกท่านกลัวทุกอันนั้นที่กล่าวแล้วายท่านอย่าได้ทำความชั่วคืออย่าได้ก่อกรรมชั่วกรรมลามกแม้มีประมาณน้อยชนิดการฆ่าสัตว์การฆ่าสัตว์เป็นต้นเนี่ยนะไม่ว่าจะฆ่าด้วยตัวเองฆ่าทางกายหรือฆ่าทางวาจาใช้ให้ผู้อื่นฆ่าทั้งฆ่าในที่แจ้งไม่มีใครปิดบังหรือ <c oughs> ความชั่วทางกายวาจาในะท่านบอกว่า ไม่ปิดบังเพราะปรากฏแก่คนอื่นส่วนความชั่วที่ทำในที่ลับก็คืออาภิชาพยาบาทมิชาทิฐิเนี่ยเรียกว่ากรรมที่ทำมโนทวารชื่อว่าเป็นกรรมที่ทำโดยที่ลับเพราะปกปิดโดยไม่ปรากฏแก่คนอื่นทําในที่แจ้งที่ลับที่แจ้งก็คือทางกายทางวาจานี่แจ้งทวารใจนี่เป็นที่ลับ ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการพูดเทศพูดส่อเสียดพูดคำหยาพูดเพ้อเจอ้อเรียกว่ากรรมที่ทำในที่แจ้งอภิชาพยาบาทมิจฉาทิฐิชื่อว่ากรรมที่ทำในที่รับถ้าท่านทำกรรมชั่วคืออกุศลกรรมบท1ิประการนั้นบัดนี้ท่านกำลังทำอยู่หรือจะทำต่อไปในอนาคตไซ ความทุกข์อันเป็นผลของกรรมนั้นในอบายสี่มีนโรคเปรตอสุรกายและเดรชานหรือแม้กระทั่งความทุกข์ในหมู่มนุษย์จกไม่ติดตามพวกเราผู้หนีไปข้างโน้นข้างนี้ด้วยความประสงค์ดังนี้ว่าแม้พวกท่านจะเหาะหนีไปคือจงใจหลีกหนีไปก็ไม่หลุดคือไม่พ้นจากทุกข์นั้นไปได้ท่านแสดงให้เห็นว่า ท่านแสดงไว้ว่าจะให้ผลในเมื่อความพร้อมแห่งปัจจัยอื่นมีคติกาละเป็นต้นขอให้ท่านทำกรรมเอาไวเ้เถอะทำความชั่วเอาไวเ้เถอะถ้าความชั่วนั้นสำเร็จแล้วถ้าได้ประสบกาลคติอุปธิและตโยคะที่สมควรเมื่อไหร่ให้ผลทันทีนั้นความชั่วเนี่ยนะที่ที่บุคคลทำไปแล้วเนี่ย ทำทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยมันให้ผลเป็นเป็นความทุกข์นะทุกทั้งปฏิสนธิโดยโดยภูมิเนี่ยนะอย่างนึกถึงว่าถ้าไปเกิดในอบายแล้วเนี่ยเราเราลองมานะคิดดูนะถ้าเราไปเป็นปลาจะใช้ชีวิตอยู่ยังไงนะถ้าไปเป็นกบเป็นเขียดเป็นอึงอ่างเนี่ยนะหน้าฝนเนี้ยอึงอ่างมันจะเริ่มเริ่มออกมาให้เขาต้มแล้วนะไปเกิดเป็นปลาไหล หรือไปเกิดเป็นอย่างอื่นอีกที่ลึกๆไปกว่า น, นั้นนะไปเกิดเป็นปลาในท้องทะเลเนี่ยจะไปอยู่ยังไงเพราะมูสัตว์เหล่านั้นมีแต่การแข่งแย่งชิงดีกันแล้วก็บอกว่าเอาอยู่ในนรกก็ร้อนเป็นหมื่นองศาอย่างเงี้ยเป็นเปรตหรือมันก็โรคกระเพาะตลอดกาลเนี่หิวตลอดอเป็นอสุรกายหรืออดอยากแรนแค้นมากถ้ามาเป็นมนุษย์ล่ะถึงเป็นมนุษย์ก็อายุสั้น น, น มีบุญจับพลัดจับพลุให้มาเกิดเป็นเชื้อผวองแต่ตายตั้งแต่อยู่ในครันอย่างเงี้ยนี่ยทอะไรได้หรือมาเกิดเป็นลูกของมหาเศรษฐีแต่ว่าอยู่ได้เกือบคลอดเลยนะมีอายุอยู่จนเกือบคลอดแล้วก็ตายอย่างเงี้ยนี่ยทอะไรได้หรือกําลังน่ารักเลยก็ตายแล้ยุคลอดมาสักไม่กี่วันก็ตายแล้วเดือนสองเดือนปีสองปีก็สามปีก็ตายหรือกําลังทาท่าจะศึกษาธรรมะก็เลยตายอย่างเงี้ย พันเวลาก ร, รมมันให้ผลเนี่ยมันเข้าไปตัดตรอนทั้งหมดหรือไม่ก่อนที่จะค่ามันก็ต้องมีการเบียดเบียนมีการเคี่ยนมีการตีมีการโบยประหัตประหารทุกเหล่านั้นมันก็จะให้ผลตามสมควรนะโรคมากสุขภาพไม่ดีสุขภาพกายไม่ดีปวดหลังปวดเมื่อยไปหมดเลยนะศึกษาธรรมะก็ยากยากเนี่ยนะมาตามหักแขนหักขาหักเขา่าหักหัวหักคออยู่างนั้นนะ ันเวลากรรมมันให้ผลมันก็เจ็บปวดอันนี้สายปานาธิบาตนะถ้าสายอาทินนาทานล่ะเนีย่ยนะบางคนนี่รวบรวมทรัพย์มาจนเลือดตาแทบกระเด็นพอมาที่สุดบอกว่าสิ่งนั้นไม่ใช่ของเราแล้วหนอเนีย่ยนะอย่างยุคนี้เนี่ยยิ่งเห็นชัดมากรวบรวมมุสาวกว่าจะได้เป็นร้อยล้านเนีย่ยนะถูกยึดภายในวันเดียวหมดเลยเนีย่ยน ะ, สะแสวงหาทรัพย์สแสวงหาข้าวของเครื่องใช้เนี่ยนะ ทำมาท้เรียกว่าย้อมสารพัดเพื่อให้รวบรวมสิ่งเหล่านี้มาในที่สุดก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะติดป้ายเป็นของคนอื่นเฉยเลยนะไม่ใช่ของเราไปแล้วสิ่งใดที่เป็นของเราสิ่งนั้นก็ไม่ใช่ของเราไปแล้วเพราะสิ่งของในโลกนี้มันเป็นสาธารณมันเป็นของคนมีบุญถ้าหมดบุญสิ่งเหล่านี้ก็พร้อมที่จะหมดไปเนี่ยนะ ใ, ใ, ใ, ใครจะเชื่อว่าโบราณก็บอกใครจะเชื่อว่าทองคาจะกลายเป็นเท่าทานมั้งไง ทองคํากลายเป็นเท่าฐานรถทั้งหลายกลายเป็นเศษเหล็กบ้านทั้งหลายก็เหลือแต่เสาหนึ่งนีแล้วก็เลือกสวนไร่นาทั้งหลายที่กําลังผลิต ด, ดอกออกผลพร้อมที่จะแทบจะสูญหายไม่มีอะไรเหลือเลยความทุกเวลามันให้ผลนะทรัพย์สินเนี่ยพร้อมที่จะหมดไม่มีเหลือนี่คือเศษของอะทินนาธานถ้ามันให้ผลเนี่ยทรัพย์ทั้งหลายเนี่ยถึงจะหามาขนาดไหนก็ไม่เหลือ ถ้าเศษของกาเมสศมิชาจารย์ไปที่ไหนก็สตรูมากเป็นที่รังเกียจของประชุมชน <c oughs> แล้วก็เป็นคนที่วิปริตทางเพศเป็นต้นหรือแม้ถ้าเศษของมุสาวาสเนี่ยนะไปที่ไหนก็ถูกแต่เขาหลอกนลยนะหมายว่าหลอกให้ได้ดีม่มีรอกคํ า, กาว่าหลอกหมายความว่าหลอกไปให้ทําแต่ความชั่วไปที่ไหนก็ถูกแต่ว่าไปที่ไหนก็แตกมิตรไปที่ไหนมิตรสหายบริวารลูกน้องก็มีแต่การแตกแยกกันทั้งหมด ไปที่ไหนก็ถูกแต่เขาดา่าเขาสาปเขาแช่งนะไปที่ไหนก็ไปรับแต่สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์อันเวลากรรมมันให้ผลเนี่ยมันเจ็บแสบปวดร้อนเนี่ยนะอย่างไรท่านมานั่งฟังนะไอ้กลุ่มนั้นก็เฮาเอาเ่าเอาเนีเ่ยนะมันก็อย่างนี้แหละมันก็บอกว่าเออเนี่ยฉันไม่ได้ผลของไม่ใช่ผลบุญนะอย่างเงี้ยมันก็เป็นอย่างนี้แหละ ว, วัตะจะไปทําอะไรเนี่ยนะพราเกิดในกําเนิดสุนัขทําอะไรได้มันก็เฮาเป็นอยู่อย่างเดียว ทำอย่างอื่นก็ไม่เป็นนะทำเลือกสวนไร่นาหาโยคะยาเจ็บป่วยคอร้องอะไรไม่เป็นอยู่มีอยู่เท่านี้จริงๆสมบัติทุกชนิดมีอยู่เห่าอย่างเดียวเนี่ยนะนเวลาบาปมันให้ผลมันก็อย่างนี้แล้วนั้นถ้ากลัวที่กลัวต่อความทุกข์กลัวต่อผลแห่งความทุกข์อย่าได้ทําชั่วมันในคาถาธรรมบทบอกว่าถ้าผู้ใดที่ทํากรรมชั่วแล้วนะความชั่วได้ทำํำไปแล้วให้ท่านเหาะนี้เป็นแอากาศเสีย หรือหนีไปอยู่ท่ามกลางทะเลมาหาสมุทรหรือหนีไปอยู่ในซอกเขาท่านก็ไม่พ้นไปจากความชั่วได้โบราณบอกกรรมไม่ค่อยทันสมัยเท่าไหร่ใชีกาบินแล้วก็บวงยางมันถูกคอใช่ไหหรือนกบินแล้วก็ถูกเขายิงร่วงอันนี้แบบโบราณมากนะถูกลูกศรยิงแต่สมัยนี้ก็บาปมันติดไอพนนะนะเขียไอพนนีมันก็ไม่ได้พ้นอะไรไม่ได้แปลว่าพ้นอะไร ปานปฏิบัติมันติดตามกระสวยอวกาศนอะน่นนะมันตายแบบแล้วก็หนีไปอยู่กลางทะเลพ้นไหมตรงไหนทะเลตรงไหนบ้างที่ไม่มีการตายอย่างสมมติว่าอย่างมนุษย์เนี่ยนะที่อยู่ในทะเลเนี่ยพวกเรือดำน้ำนํามันยังเข้นฆ่ากันอยู่ในนั้นนะตามไปเข้นฆ่าโดยอาศัยเครื่องมือคือเรือดำน้ําเป็นต้นแต่นี้ถ้าตายเท่าไหร่เขาก็ไม่เล่าให้ฟังแล้วมันก่อนบอกว่าเรือดำน้ําจีนตายไปเท่าไหร่เนี่ยน่ะพัน แต่ว่าตายเยอะแน่นอนแหะวางันนะ้แล้วมันเรือดำน้ําไม่ใช่ของประเทศเดียวในโล ก, กอ่ะนะแล้วตายไปเท่าไหร่ที่เรือดำน้ำําแล้วพวกพวกพ่อค้าทั้งหลายที่ไปในทะเลแล้วตายอยู่ในทะเลนี่เท่าไหร่เพราะหมายว่าถ้าฆ่าโยนลงทะเลมันก็จบกันไนงะไปหาศพที่ไหนพราตายลงไปแป๊บเดียวปลาก็เอาไปกินหมดแล้วปลาฉลามเป็นต้นก็เอาไปกินหมดแล้วทัว้งสถานที่ทุกแห่งถ้าทําชั่วแล้วพร้อมที่จะลอยคอหรือตายกลางทะเล เอาถามว่าอยู่บนบกแหละอยู่บนบกเนี่ยถ้าแบบนักสำรวจถ้ำบางแห่งเนี่ยจะไปเจออะไรซากศพต่างๆที่อยู่ตามถ้ำต่างๆแสดงว่าที่ถ้ำต่างๆก็มีการฆ่าหมกถ้ำฆ่าโยนเหวอผลักตกเหวตายเยอะแย ะ, ยะไปหมดมันสรุปว่าความชั่วขอให้ทําเถอะถ้าทำเอาไว้แล้วให้เหาะอยู่บนอากาศก็ไม่พ้นไปจากทุกขนี้ไปอยู่กลางทะเลก็ไม่พ้นจะด่าทุกนี้ไปอยู่ตามซอกเขาทั้ง ภูเขาลึกเลยก็ไม่ได้พ้นจากความทุกข์เนี่ยนะเพราะเพราะอะไรเพราะความชั่วเหล่านั้นทำไว้สำเร็จแล้วนะถ้าเกิดในคติที่วิบัติอันนี้ความทุกข์ก็ให้ผลแน่นอนนะคติคือนรกเปรตอสุรกายและเดรัจฉานถ้าเกิดเป็นมนุษย์ละ่ะประโยค้าวิบัติเมื่อไหร่อากุศลก็พร้อมที่จะให้ผลงั้นพระ อ, องค์ก็หวังดีจริงๆนะถ้ากลัวทุกข์อย่าทาชั่ว มันเวลาที่เราจะทําชั่วสักอย่างหนึ่งนะจะเป็นอกุศลทางกายวาจาหรือใจก็ตามนะข้ตั้งคําถามว่าเธอต้องการความทุกข์ใช่ไหมเธอจะเอาทุกข์แค่ไหนว่างั้นเธอจะต้องเสียใจเพราะสิ่งที่เธอทําใช่ไหมคุยกับตัวเองนะดวงที่หนึ่งมันให้ผลชาตินี้ทําใจได้ไหมดวงที่เจ็ดให้ผลชาติหน้าไม่ใช่หรือดวงที่สองถึงดวงที่6มันจะติดตามตามจนกว่าจะเล่นงานได้เต็มที่ พอใจไหมที่จะทําถ้าหากว่ายิ้มรับความทุกข์ประดังเข้ามาเถอะความทุกข์ฉันสู้หมดอ่ะนะถ้าอย่างนี้ถ้าทับแน่ใจขนาดนั้นก็ทําชั่วไปเถอะแต่ไม่ได้สอนให้ทําชั่วนะเล่าให้ฟังทามั่นใจว่า ย, ยินดีที่จะรับความทุกข์เนี่ยนะก็ทําชั่วตามสบายตามใจเนี่ยนะแต่ว่าขอให้ห่างๆกันได้เป็นดี เสียงค่ําครวญของคนเดือดร้อนเนี่ยมันเป็นผลของความชั่วทั้งนั้นแหละเขาจึงเดือดรอ้อนแต่ถ้ า, าผลแห่งความดีหรือผลแห่งบุญเนี่ยนะทุกอย่างที่ทุกอย่างอะไรก็ตามที่เป็นผลแห่งบุญเหมือนกับคนที่จากหมู่ญาติไปนานๆแล้ว่ญาติเป็นที่รักไหมญาติอันเป็นที่รักเป็นที่พอใจจากกันไปนานแล้วมาประสบกันเนี่ยโอทุกคนก็จะมีความสุขชื่นบานใช่ไหม ชันใดผลแห่งบุญจะให้ผลอย่างนั้นแต่ถ้าผลแห่งบาปตรงันข้ามหมดเลยเหมือนศัตรูที่ว่าผูกเวรไว้นานแหมเพิ่งตามมาเจอวันนี้เองเหมือนกันก็เตรียมเล่นงานเต็มที่ความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งหลายก็ตามมา